สิขาบทที่ 11. เรื่องพระชาคี649สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นผู้ พ, พิสูจชัคคีเดินอยู่ข้างหลังแสดงทำแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าพระบัญญัติ 11. พึ่งทำความสำเนียกว่าเราเดินอยู่ข้างหลัง จกไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข่ผู้เดินไปข้างหน้าเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุเดินอยู่ข้างหลังไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข่ผู้เดินไปข้างหน้าภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าต้องอบัตทุกกฎอนาปติวาลภิกษุตอไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ3ภิกษุผู้ไม่รู้